หน้าที่ห้าบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภาควาอารหาหังส ม, มาสัมพุโทโธเวิชาจารณะสัมปันโนสุขโโรโลกวิทโธอนุตตะโรบุริสะธรรมสารทิ สัตถายิววัมนุสานัง an พุทธภควายติ